ข อ, อนอบนอ้อมแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกายจากีเลสนะคพระเจ้านมัส ก, การนโมพุทธายะกรมมโตอิมิตังสิวิตังสุตินำพาการทางใจพาการทางใจนั่งสมาธิความเห็นภาวนาอุตารธรรมอนรับปีใหม่จะเป็นปี มหามงคลของพรมพุทธศาสนิเอกชนพุะทภาภริ์จัดอืมอุบาสกอุบาสิกาของพระพุทธศาสนาวันนี้เป็นวันบุญประจําปีอที่โอทีของพวกเราอมหาส่วนที่อืบริจัทใหญ่บริจัทที่อืมวานเอาเมืองอุมาน อ, าม อ, อุน เ, อเมืองไว้อืมรักษา ดวงทิศตาทิศนี่แหละสําคัญอืพวกเราทั้งหลายได้ชื่อไม่เกิดในเมืองไทยในท่ามกลางของศาสนาอืมพระพุทธเจ้าธรรมพระพุทธเจ้าอสู่พระธรรมพระธรรมพระวินยัยพระไตรสิดกพระปฏิโมก อ, อืมีผู้สําคัญกับพวกเราอผู้สาคัญก็คือผู้ที่ออลุกจิ์ของพระพุทธเจ้าเเอมื่อเกิดในเมืองไทย คิดคนอ่านแล้วก็หาทางออกไปมีมนพระธรรมพระวินัยพระไตยปิฎกเสด็จมาทางน้ำหรือมาทางอากาศทางไรเราก็ทราบไม่ได้ันนานแสนนานเลยละ่ะศาสนาสองพันกว่าปีเลยชาสนาที่ประเสริฐตัวโลกในสามแดนโลกธาตุยังเป็นธรรมกางยังอยู่กับดวงจิตดวงใจของสาวพุทธของสาวไทยพวกเรา พวกเราก็ถือว่าแสนประเสริฐแสนเลิศในที่สุดที่เราได้ลงมาเกิดตามบิดามารดาปู่ญาตายายเป็นพระบุรุษร่างกายยืดยาวมามาอยู่นานๆนานเกิด ม, มา100ยปีหรือห้าสิบปีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีอะไรก็ล่มหายตายจากกันอยู่อย่างนั้นแต่พวกเราทั้งหลายโชคดีได้อายุ มั่นยืนยังได้ติดตามบำเพ็นภาวนาได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมได้ยินเสียงหมูเพื่อนประกาศศาสนาประกาศบุญกุศลเกิด ข, ขึ้นที่ไหนพระพักอืมตั้งใจไปอะไรจะมาอุปสรรคหวงทางก็ไม่อยู่มีไข้มีเจ็บมีปวดมีไม่จาเป็นที่สุดก็ตาัดตายไปไปอะไรไปบำเพ็กุศลไปฟังธรรม เพราะว่ารรมอันนี้มันยากแสนยากถอดถอนกิเลสออกจากใจกิเลสมันอยู่ที่ไหนเถอะมันก็อยู่ในใจเรานวนั่นแหละมันบังคับให้เราเกิดบังคับให้เราทุกข์เพรางว่าบุญกุศลบา ร, รมีของศาสนาของพระพุทธเจ้าเพราะว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งตั้งแต่ภกกัปตุสันโธพระโกนาคมโนพระกัจจโธ องคปัจจุบันของเราพระโคตมอันสี่องค์ถึงพวกเรายัางยเรายังได้อือยู่ในกรรมอยู่ยังไม่ได้ไปเพราะว่ามันไปยากเพราะว่าเวิกรรมมันบังคับไว้ถ่ายหัวให้เราลงไปทางต่ําเพื่าออกจากร่างนี้ไปค่ะคุณพ่อคุณแม่ศรัทธาญาโจมอุบาสกอุบาสิกาของพวกเราในวันนี้เปนกะปีมหามงคลอันยิ่งใหญ่ที่ครบ ร้อยห้าสิบปีพ่อแม่ผู้รับธรรมที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เผยแผ่ศาสนาสาการณของท่านอห้าสิบปีนี่ลูกหลานชาวไทยทั่วโลกอือยกขึ้นไม่อยากอืมไปตกไปทางต่ำมีกรรมอันยิ่งใหญ่มโันานก็บุ่มบุ่มอยู่ ม, ม, มันจะทำให้ระเบิดแ ล, ล, ล้วมันระลึกถึงบุญคุณของท่าน ความโมโหก็อ่อนลงอ่อนลงก็เย็นขึนนึกเอาผืนผู้บุคคลสำคัญของปู่ทธเจ้าในยุค ป, ปัจจุบันของพวกเราคือร้อยห้าสิบปีปู่ย่าตายายของพวกเราได้มาพบได้มาทำตั้งแต่สมัยป่าสร้างโรงเสือป่าเป้าโครงผีก็เป็นพวกเราเนี่ก็เป็นไปได้แต่เราจำไม่ได้ปู่ก็ไปหาโปดไปหมดเดิน ส่วนมากปู่ที่ลอกประเทศไทยนะฮะปรดลูกเอาหลานจุดใดที่เข้าไปแล้วตายปู่ก็ต้องการความตายเหมือนกันตายนั้นก็ที่นั่นเป็นป่าชาเพราะว่าข้าพระเจ้าเสด็สละจากปีดามารดาจากบ้านจากเมืองมาไม่ได้ออะไรไม่มีอะไรติดตัวไม่ได้ทำคำสอนของพระเจ้าบริคารกอของพระพุทธเจ้ า, า, ท, จาที่เือเป่นเมตตาให้ลูกศิษย์ลูกหาใช่ การทบริการแปลกคือลูกหลานได้ถวายในยวันนี้เลยถวายก่อนมาเทศนี่เออเป็น <c oughs> ของใส่ของพระเอาไปทำาศาสนาเอาไปใส่ผลประโยชน์เอใเอในการเป็นอยู่ของศาสน า, าของพระเออออกจาก <c oughs> พี่จากน้องจากพ่อจากแม่สาบคุณพ่อคุณแม่ เออคุณพ่อคุณแม่ก็นุญาตให้ให้ไปไปที่บาตรธรรมให้ไปบำเพ็ญกุศลกิตชงโภคแล้วให้อย่าลืมคุณแม่อย่าลืมคุณพ่ออย่าลืมพี่อย่าลืมน้องนะเพราะว่าเกิดมามาเห็นกันทั่วข่าว เ, เ, เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายเดี๋ยวสารพัดสารพัดแต่มันจะตายให้ดูตายทั้งแม่ทั้งลูกก็ก็เจอมาแล้วในวงตระกูลของปู่ก็ดีอตายทั้งแม่ทั้งลูกแล้วมา อือสามปีสี่ปีก็ตายเออมาอีกช่วงหนึ่งนอนหลับไปก็ตายช่วงลายคือว่าอือตายหลับตายแต่ว่าตายฆ่าตายแกงกันนะก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีในตระกูลฆ่ากันย่ายิ่งแทงกันแต่มันก็มีอยู่แต่ว่าก็ทำพระพุทธเจ้านั่นแหละระงับไว้กลัวบาปกลัวกรรมอืคนหนึ่งห้ามบาจุด บาปหนักอยากได้อะไรก็เอาไปเลยมันก็เลยงดลงมันก็เลยไม่ได้ถึงขัน้นไปตกานาลูกอันหนักๆนัน่นแหละเพราะว่าอืมทำศาสนาบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าทำพระพุทธเจ้าอมาตัดมาห้ามไม่ให้ลูกหลานไม่ให้บ้านเมืองเราวุา่นวายแตกปล่าวสามัคคีกัน นีหละท่านทั้งหลายคือพากันดีโอกดีใจตอนรับปีใหม่ในปีนี้เป็นปีมหามงคลอันยิ่งใหญ่คารพธรรมพระพุทธเจ้าอันประเสริฐคารบเพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้รับธรรมมาโปรดพวกเราคือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นนี่แหละสำคัญที่สุดเพราะว่าพูดอะไรก็มีเหตุมีผลกับลูกศิษย์ลูกหากับศรัทธาญาติโยมผู้เชื่อ เออบอกให้นั่งก็นั่งบอกให้เดินก็เดินบอกให้นอนก็นอนบอกให้ไปก็ไปไปอะไรไปหาทางออกไปหาบุญมาโปรดพ่อโปรดแม่โปรดพีด่โปร ด, ป ด, ปดน้องมันก็มีพวกเราทั้งหลายสืบทอด ต, ต่อมาถึงพวกเราก็แปลว่าโชคดีเข้มงวดขวดขันไปเรื่อยนั่นแหละพากันเสื่อมันเพราะว่านั่งสมาธิ เออเรามาฟังธรรมแล้วก็เออมาใกล้ปู่ปู่ก็เมตตาเออไว้แล้วเมตตาให้พุทโธเข้าองค์จิตอมใจเข้าถึงจิตถึงใจพุทโทรธทำโ ม, มสังโฆนะพุทโธเอือทุกลมหายใจสืบเข้าพูดหายออกโทรอ่อะอมันเข้าไปเอือเพราะว่าปองประตูประตูกรรมให้เราก็มองกันอยู่ทุกวันนี่หลย เออมันเข้าไปนําลมหายใจเราจะโมกนี่แหละเือประตูกรำมประตูเวนประตูโหงใหญ่เออแต่ว่าพระพุทธเจ้ามันเป็นเมตตาพระสงฆ์ ของเพื่นที่อมูงแจ้งเห็นจริ ง, รงก่อนก็รัตนาธรรมจากเอออย่างรู้จักอยากรู้จักการเกิดอย่างรู้จักการไปการอยู่เออก็ให้สวดธรรมาจากถวายทานมหาทานอันยิ่งใหญ่ในปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อเป็นปีมหามงคลของสาวพูดสาวไทยเราเมื่อให้มีสิ่งใดมาเกิดให้ประเทศไทยเราเออมีความทุกข์ความลำบากมีความระแวงแตกแยกสามัคคี กันมาให้เกิดออให้มีแต่ความสุขความเจริญอืความสบายแก่ธาตุขานแก่จิตแก่ใจโรคภัยมันก็มาไมายอีกด้วเพราะว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมเพราะว่าเราสร้างบา ร, รมีเราทําบุญเราทำกุญ ง, งาณความดีให้ทานกันไว้ให้ทานอันสูงสุดอถวายพระสงฆ์องค์พระเจ้าผู้ที่ทรงศีลทรงทรรถูกต้องแหล่าวันนี้ที่เราจะไปใช่ไปทานเป็นของที่ ไปรอรับรอรับดวงจิตดวงใจชาติขันของพวกเราที่จะต่อสู้ไปอีกต่อสู้ไปบางคนก็ขยับไปได้แปดสิบได้เก้าสิบอย่างนี้บางทีบางทีเป็นไปได้เพราะว่าโลกมันจเจริญยามันจเจริญมาแพทย์ก็จเจริญ ถ้ามีเงินมีทองบารมีของพระพุทธเจ้าที่เราทานที่เรารักษาศีลภาวนานี่เออหลั่งไหลามาเตรียมสำรองเราไว้บางทีกิเลสโลกภัยมันก็ไม่เกิดเพราะว่าเราเตรียมพร้อมไว้แล้วเตรียมพร้อมไว้แล้วไม่มีโรคมีภัยก็เป็นละมันผสุทธ์หนือบารมีทรัพย์สมเหมือนทองที่เราทานไปมันกลับคืนมาหาเราเราก็ได้จะได้ช่วยเหลือคนอื่นไปด้วยขนาดนนี่ คือว่าเป็นสิริมงคลเป็นกุศลกับพวกเราที่เชื่อมั่นในการให้ทานการรักษาศีล รัตนาศีลพระเจ้าเนี่พระแม่ครูบาอาจารย์คนเท่าอืมปากเข็ ป, ปากขังเอาศีลประกาศศาสนาเออปานาเกเวลามานีอาทินาเกเวลามานีเออตาเมกเกเวลามานีลูกหลานก็กนเข้าใจโมทเพื่อนพระเจ้าจะรักษาให้ดีมุสาอือถ้าจะมาวัดถ้าจะมาบําเ พ, พ็ญทบานาเฮ็นนี่ต่อไปฟังธรรมแล้วพระเจ้าจะนั่งสมาธิ ไปเรื่อยๆก็ไม่ไม่ตัวเจ้าของเลยเล ย, เลยก็เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อป้องกันไว้นั่งไม่นานก็ขอให้ได้นานอะไรกับสุราบ้างสุราเคยไปเที่ยวตลอดตอกเตะอะไรสุราเนี่สําคัญนี่คืออะไรเรายังติดข้างอยู่นี่ี่ยังอืมไม่เป็นเบื่อไม่เป็นออถ้าพูดว่าโบราณถ้าพนดว่าอนิทานว่ายอย่างโน้นอย่างนี้ พากันไปมชมสวนพากันไปเล่นน้ำชมสวนเที่ยวป่าเที่ยวดวงลืมทางไปลืมทางหนีจากความทุกข์ความลำบากก็พากันยังเห็นหน้ากันอย่อยางนี้ก็เลยยังมชมสวนชมป่าชมเพราะว่า น่ากินนา่ารีกินอาร้อนก็พวกเราทั้งหลายเลยส้มสวนมีลูกมีหลานก็ส้มกันไปอยู่อย่างนั้นหออลวงปู่ว่านพูดไม่ส้มอะไรออออกจากประคานของแม่ธรรมน่าของแม่เห็นทุกเห็นลบาบากมาอ่านพระธรรมพระวินยัยใจติดโดของพระเจ้าไปออกมาแล้วคือเป็นภาษาธรรมะหากินของพวกเราเลยเ อ, อ, อดทน นักษาศีลแบบนี้นการละโภธนาขยับขึ้นไปจากจา ก, จากสมงป่าส่งเขาจากโลกภายนอกหรือเปล่านี่ครบหมู่ครบเพื่อนไปบวชก็เป็นบวช ด, ดูแต่จิตแต่ใจของตนเองดูแต่ธาตุแต่ขันของตนเองที่พระวิดามาดาให้มาถึงตองดีงามและมีความสุก มีความเจริญนอนลงก็มีความสุขนั่งลงก็มีความสุขมันไม่เจ็บไม่ปวดมันลุกมันเรืองมันเจริญอันนี้มาฟังธรรมอันนี้พยาเกิดเพขาก็เลยออกปฏิบัติเดินตั้งแต่เมือง อ, อบุบลพูรลพูรลออกจากพูรลแล้วก็ตามแม่นํางโขงขึ้นมาไปเจอเสือ่อเจอเสือเจอผีเจอสารพัดผีแบบมีทุกแบบ็มหัวกุดหัวขาดอย่างเงี้ยคนปูคนหินหมดเลยแต่คนไม่พูด มันยันลูกหลานกลัวปปปลไปโกรไปเมตตาไปหมดแต่ว่าต่อมาท่านก็ผ่านได้ถ้าอะไรจะเอาไปกินไปพ่อแม่เราก็ทานมาแล้วทานให้ศาสนามาแล้วเราสละเป็นสละตายเหมือนพระเจ้าเหมือนพระเจ้าอดเข้าสามสิบเก้าวันหรือสี่สิบเก้าวันขยับไปหรือมากกว่านั้นอด เพื่ออยังเพื่อกิเลสมันยังอยู่ในหัวใจท่านดูเออเพราะว่าที่กาละโพนี้ตั้งขึ้นตัวนี้เป็นตัวกิเลสกิเลสมันกลัวออมันกลัวอะไรมันนม่ ม, ม, ม, มีมันไม่มีที่อาศัยมันไม่มีเลือดมีแรงเลยให้เราเออไป ชมป่าชมสวนชมอะไรคือคือดอกไม้นั่นแหละอาหารของกิเลสธาตุขันของพวกเราคุณเลือดยางอสุภสุโขงทั้งหลายนี่เลยหรว่าผู้ที่สนใจผิดเจรนาไปเข้าห้องน้าหรือว่าไปอะไรไปดูไปกินไปอยากไปเห็นของเขาอะไรสกรปรกเราก็ไปล่างไปสะไปล่างเออเป็นผู้ขยนันมานเพียรเป็นผู้ดูกรรมฐานดูจิตดูใจผู้นั้นจะเห็นใจเจ้าของเห็นจิตเจ้าของเป็นธรรมขึ้นมา เบื่อนายญิท่านทั้งหลายไม่ต้องการความเกิดเพราะว่ามันมันจบไม่เป็นถ้าเกิดมาได้ถึงพวกเราในยังได้บามเพลินต่อไปถือว่าโชคดีที่สุดมาทำบุญทำทานต่ออายุไปอีก เพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมตามพ่อแม่หลวงปู่มั่นอย่างน้อยแปดสิปีอย่างนี้ก็ล้วก็จะบางทีก็หลุดพ้นไปได้อันนี้เราคือปวดใจมีวิธีการท่านว่าจะรับสินไหมเออปู่เป็นให้แล้วเออเป็นผล ป, ประกาศแล้วปู่จังเสริมให้ปู่จังให้ให้อะไรเออสินหา้าบริบูรณ์สมบูรณ์กันหมดแลยมันจะให้ เป็นนางเทวดาจะให้ไปเป็นเทพปรบุติอวิกาลโภให้ไปถ้ามันอดก็ถ้ามันหิวมาอดเป็นช่วงเป็นเป็นเวลาไปอดไปอดจล้มันมันว่างมันอดได้แล้วมันไม่หิวมันไม่หิวเลยเราก็ไม่ทาน เออวันนี้เวลาเราทานมันจะอร่อยเบบเป็นอย่างจรงอร่อยเพราะว่าธาตุขันเรามันต้องการอยู่แล้วมันดูดอาอยูล้แต่ไม่มีกิเลสนะเออมกิเลสมันอ่อนไปเลยเพราะว่ามันไม่อยากเลยอดได้มันมันยากแต่ขั้งแรกนี่แหละเอฟื้นทุกอย่างเห็นไหมเขาทำเออทาอืมอะไรก็นั่งสมาธิการกองสร้างขึ้นมาแล้วก็อืมฆ่าการสนันวันไหวเขาใส่โคิดปัญญา ฆ่ากันตายตรงหน้าโลกกันสนันวันไหวทุกวันต่อไปออยังจะพวกเราทั้งหลายนี่ออมาข่ากิเลสออกจากหัวใจออมานั่งฟังธรรมมาบําเพ็ญกุศลมาให้ทานออตามบิดามารดาปุญาตายายเราทำมาปุญาตายายเราทำมาบางคนก็ยังรอบุญกับพวกเราอยู่ออวันนี้รอบุญแล้วออได้บุญกับพวกเราแล้วคืออนนี้เราไปนั่งภาวนาเราจะรู้รู้อะไรมันจะสงบขึ้น เออกระดวงวิญญาณของท่านนั่นแหลยดวงวิญญาณของพ่อของแม่ของที่เราอุทิศไปนั่นแหละ ศ, ศาสตรสาว่าสิ่งทั้งหลายที่เออเรารับส่วนบุญกับพวกเราที่หลวงตาพุทธว่าเออจัดย์ทั้งหลายก็อาศัยคนอาศัยพวกเราทั้งหลายอาศัยหลังพึ่งคนอื่นอคนอื่นก็คือพวกเรานี่แหละเือคือพวกเรามีบุญมีจัดหาเกาเล้าแรงก้าอือมิมนพระสงฆ์องค์ขาเจ้ามาเทั่วสารทิตมาบาเพ็ญกุศลมารับผลทา วอวยพรให้กันจเจริญพรปีใหม่ปีนี้แต่ว่าเออโอยบริษัททีวทีเราแปลว่าจะรุ่งเรืองจเจริญคุ้มครองเอาประเทศชาติบ้านเมืองให้ดูเย็นเป็นสุขต่อไปทมาให้สิ่งใดมาเกิดขึ้นในเมืองไทยของเราต่อไปเพราะว่าเราเคารพเวลมทีมีธรรมพระพุทธเจ้าทำให้จิตใจเราเบิกบานสํารลาญกิเลสอยู่ในหัวใจเราไปจืดจางออกนะ ออนั่งภาวนาก็จะได้ก้าวหน้าจเจริญฟื้นไปไม่อถอยมันเพราะว่า ต, ตัวนี้ถ้าเรานอนมากสาดเราก็จะปูไปเรื่อยๆสาดเราสาดเกิดเราประมวลเข้ามาไม่ได้ถ้าเรานั่งโดนโดนนั่งนานๆนอนน้อย ๆ, ๆมันจะซาดเราจะประมวลเข้ามาบางทีเจ็ดซาดหรือเห้าซาดสามซาดบางทีก็เป็นสาดปัจจุบันนี้ไม่มาเกิดอีกเลยไปนะ้องบุญเจ้าเป็นยัง เราเบื่อนอนแล้วเราจะนั่งดู <c oughs> เดินดูอริยบทท่างสี่เพิ่นเพิ่นเมตตาให้เตียนไว้แต่ว่านอนนีนบางทีมันผือมันก็มันก็อร่อยเพื่อนว่าอร่อยกว่าอาหารการกินด้วยนะอืมถ้าบางคนนในนอ น, นไปไปปลูกเขานี่โอ้โหโมโหมันแสนเงินล้านเขาไม่สนเขาเขาจะเอานอนดีกว่าถ้านอนยังไม่พอ ไม่เหมือนพวกเราได้เมืองเรานี่ดีต้องแดงปึ๊บปับ๊บเตรียมตัวจะไปไม่เอานอนก็ไม่เอากินก็ไม่เอานั่งก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเตรียมตัวดูจิตอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจีดูจิตมันจะเศร้าหมองขุนมัวมาให้มันเป็นมาให้มันเกิดให้มันมีความสุขความสุขจะมารอรับพวกเราเพราะว่าเราตั้งใจตั้งใจอะไรตั้งใจ นี่ตั้งใจบำเพ็เมตตาบารมีให้ถึงเพราะว่าเราทานมามากตัวมากเลยนัย่งแต่จะหาทางอกอกนังแต่บำเพ็ญดูอดฝืนฝืนฝืนกับทวนกระแสทวนกระแสนั่งสมาธินี่แหละนั่งเดินคิดอ่านไ ก, กลกองข้นขวายขึ้นมาใน <c oughs> การเป็นอยู่ของพวกเราอยู่อย่างนี้อ ย, อย่างไร มันพวกนี้เขาจะมาเรียกเชิญไปอะไรไปพงธรรมสังเวชเดี๋ยวญาติคนนั่นตายเดี๋ยวพี่คนนี้ตายออไปเขาไปสังไปจีกันอยู่อย่างนั้นว่าหนึ่งวันได้มันก็จะมาถึงพวกเราแต่ว่าพวกเรานี่อืเตรียมตัวพร้อมจะไปโลกใหม่แต่พระพุทธเจ้าก็พุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธ ท, ทุกลมหายใจเออบางทีก็เข้าเกียรอีกเออ阿拉หัง阿拉หังสับกันไปสับกันมาตัว น, นี้เลยทางออกเออเพราะว่า นายหน้ามันมันอยู่ประตูโค้งใหญ่เลยมันก็เบื่อมันก็ตัวหนีเข้าใจไหมหนายหน้าใหญ่มาคือพญามารคือเรียนกรรมที่มันบังคับให้เราเกิดเราตายื อ, อนี่แหละมันอยู่ประตูโค้งใหญ่ก็คือจ้หมูกเรานี่แหละอยู่น้ำลมหายใจเรานี่นะออแหละนะออาหารการกินและการละมั่นระวังไปด้วยืเพื่อให้ <c oughs> โรคภัยเมื่อให้กรรมเพ่อให้ สิ่งใดมาทาให้าาศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่ได้บำเพ็ญภาวนาในวันนี้เกิดโลกที่การต้องกันทางสวรรค์นิพพานเพราะว่าเราให้ทานอันสูงสุดให้ทานตอนรับปีใหม่สวยงามหรือถึอกล่องแล้วก็เวลาเวรกรรมมันมา ม, นมันจะมาให้เราเป็นเออเทวดาก็ มันปัดเป๋่าไปนั่นเลยอเราก็จะได้เดินทางเข้าเส้นทางปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆจนสิ้นลมหายใจเพราะาเรายังมีชีวิตยังมีค่ามหาศาลมากมายอยู่ยังไม่ได้เท่าได้เก่ ท, ทัาพภูธเจ้าเพื่อน่า นังหันใจอยู่เพ่นไปโปดเดาได้หมดไปโปรดได้ไปโปดใช้อย่าไปคิดอย่าไปคิดอะไรให้อยู่ในขันให้อยู่ในลมพุทโธพุทโธน้าลมนี่เออให้ยึดอยู่นี่ให้อรหังอรหังก็อรหังตัวเดียวอยู่น้าลมหายใจนี่นักคนคนก็จิตเฟื่งจิตเลย เมนันมันกระโดดออกกิเลสมันก็ทังออกแล้วก็สูงขึ้นสูงขึ้นเพื่อก็บริกรรมต่อไปเลยคือธาตุขันมันก็อสลายตามตามตามวัยตามธาดตามเวลาเพราะ่าประเทศเอาถัดเหมือนกันก็เรากตกน้ำหรือว่าเรากตกไปอย่างไรอย่างหนึ่งเรามีบุญกับมีคนมาช่วยอุ้มขึ้นมารวมไปหาหมอที่ต่อกันแล้วดีเหมือนเดิม น่นแหละคือเป็นอย่างนั้นแหละที่ที่พวกเราทั้งหลายให้ทานรักษาศีลมานั่งส ม, มาธิภาวนาบาเพ็ญกุศลฟังเทศฟังธรรมเป็นบุญเป็นกุศลของพ่อออกไม่ออกตอนับปีใหม่ปีนี้เป็นปีมหามงคลอันยิ่งใหญ่คือได้มนต์ปู่มาเมตตามาโปรดรักษากายวาจาใจสวยงามศีลนี่แหละสราบไปผู้ซานอบนอ้นอมเพื่อถึงที่สุดก็นั่งนอ้อม เพราะว่าเคหลาบในการเกิดเพื่อนบอกให้น้อมให้กราบให้ไหวกินน้ำ่อนั่งพูดจาปลาสายนั่งน้อมไปเป็นอยังเจ้าคือ อ, อ่อนนอกค่อยกลัวการเกิดค่อยกลัวค่อยกลัวความตาย อยูมันจะตายไปอีกครั้งหน้าชลาดนี้คอยได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าฟังธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่อยกับกราบไหว้บูชาคอยกันน้อมไปรักษาศีลให้ดีที่สุดถ้าไม่ถูกต้องแลวไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่เอามาใส่เนื้อใส่กายไม่รับเอามาเป็นในดวงจิตดวงใจให้มันเกิดการเกิดเวรผูกมัดกันต่อไปไม่เอา ทั่นแหละท่านทั้งหลายศึกต้องดีงามแล้วที่มาบำเพ็ญกุศลฟังธรรมในวันนี้คือปู่โอ้มันของง่ายเพื่อจะได้มาเกิดตามพ่อแม่ไม่ใช่ของง่ายมา <c oughs> สิบปีห้าสิบปีบางทีมีหน้ามีหลังกับโลกภัยว่าแบบใดกรรมมันมา น่ารักมาเนื่อยเหนื่อยเนื่อยแล้วไปเลยมีหลายลายที่ปูเ่เรียนเขาก็กว่าผีนั่นผีนี่มาเอาอะไรหรือว่าคิดสะก ร, รมหรือว่ากรรมมาพอดีมาคิดถึงเลยถ้าพ่อแม่ไปเข้าวัดถ้าพ่อแม่บำเพ็ญภาวนาไปหาบุญหากุศลเลยทำมาตัดแล้วก็ผ่านได้ไม่เอาไปทำห้พ่อแม่ ได้กินเคื่องกินแห้งได้ดูเล่กันไปคือพวกเราทั้งหลายนี่พ่อแม่เราดีที่สุดเพื่นอนไปกาบไปไหว้ไปควบผู้มีศีลมีธรรมทรัพย์ ส, สินเงินทองมาไปฟืดเป็นไฟมามาเผาพวกเรามาไหมพวกเราทรัพย์ ส, สินเงินทองคนแต่งมาให้เป็นสวรรค์ น, นิพพานเราก็พากันสร้างบารมีพากันทําบุญให้ทานสวยงามถูกต้องอืตามจุดที่เราต้องการนั่นแหละพากันอืเข้าใจภาวนาพุทโธพุทโธเออ ทำโมสางโคนั่งเทวดามาเลยไปมาศรัทธาเต็มรอยเต็มพันวันนี้หมเพื่นไปเที่ยวไปนอนไปพักตัวเองมานั่งสมาธิได้สามสินาทีได้ชั่วโมงหนึ่งก็ดีได้เท่าไหร่ก็ดีไปเพิ่มต่อไปเรื่อยเพื่อนเปิดทางให้แล้วเพ่ น, นเมตตาให้แล้วเืออเพ่น ช่วยชีวิตของพวกเรามาได้ถึงขนาดนี้ใครช่วยก็หลวงปู่มั่นนั่นเลยเป็นตัวอย่างเป็นผู้นําอ่านประวัติท่านแล้วก็ลึกซึ้งไม่ได้ว่าอสอนธรรมดาเนะนี่ยคนทําถูกต้องพระระพยัญชนะสอนหลวงตาบัวหห เ, หเหมือนกันหอกระดูกไปที่โน่นที่นี่นางหอกระดูกเรื่องเหมือนเหมือนกล้วยโงมหลังมาเป็นไหนเป็นอย่างนั้นไม่ได้ทานข้าวไม่ได้ทานอะไรอ อัคนคนี้เพื่อนเพื่นยังว่าเอออย่างนี้แหละนักต่อสู้เพื่อนส่งเชยกันเพระแม่หลวงปูม่มานเออมันจะตายได้จะเพิ่งไปเอาหนักปลานั่นได้ว่าไม่แต่ว่าเอาเอาเอาปลานี่แหละสู้ไปมันไม่ตายดอกคนะออถ้าตายแล้วจงเออเมียให้ขาาศึกของท่านเพื่นว่าจังสรรหลวงปู่บัวกับปู่มหาบัวก็ได้กำลังใจก็ปฏิบัติจนถึงที่สุดอืท่านจัง ได้มาประกาศเอาศาสนามาปวดพวกเราเทศให้เมืองไทยเราเข้าใจพวกหูนาตาเมืดอ็ไม่เข้าใจกับโต้อตอบราทีคนว่าลูกเลือ ด, ด้านต่อพ่อต่อแม่ก็เยอะแยะทรรพีส่วนพ่อส่วนแม่ก็บางรายก็ ไปตามกรรมเขานั่นเลยอ ย, อยากให้อยู่แต่งผ้าเข้าสวยให้กินจอ ก, กินไม่ได้เป็นอย่างมันไม่มีบูดมันกินไม่ได้มันไปมันแต่หากรรมมันมันไปวางทีมันก็ออไปชนต้นไหม้ต้นตอบ ต, ต, ตําไหม้ตามตอบไปกรรมมันร้อยโบกร้อยบาทไปถ้ามันหนักเข้าหนักเข้าเพราะว่า เออมันกิเลสตันห้าตันห้ารอยเปดเออมันคมล้อมเนื่อล้อมตัวไม่เห็นพ่อเห็นแม่มันกระไรเข้าหูดังเหล่านี้เลยเพราะว่าไม่มีพุทโทรธธัมโมสังโคพูดอะไรไปก็มีแต่ฟืนแต่ไฟโผมออกมาใครฟังไม่ได้พ่อแม่ก็ยอมไปฝากใครใครก็ไม่รับไม่ได้อันนี้มันเต็นไปได้นะเพราะว่ามันอยู่นกรรม ว่ากรรมเป็นที่พึ่งของตนกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกส็สวดอยู่อย่างนั้นเพื่อว่ประมาทมันเป็นที่พึ่งอาศัยแต่ว่าเราก็ทําคุณงามความดีอบางคับมันออกไปมันก็พูดโทรมันสืบเข้าพูดอืหายใจออกโทรสืบเขาพูดหายใจออกถูออืมมันชู้เราไม่ไหวบนี้อางความอยากเราก็น้อยลงบ้ีงความอยากเราก็ไม่อยากเอาไม่อยากกินไม่อยาก พราว่ามันจะพาเกิดเอออาหารการกินนี่ยตุนตัวพาเกิดเพราะฉั้นว่าเอออืมสาตารูป ร, ราชาตาปฏิฆ า, านาตัวทรัพย์สมบัติตัวนี้ก็เออถ้าใส่ไม่เป็นก็เออตัวพาอืเผาเผาตัวเองแล้วก็มาเผาพ่อเผาแม่ที่ทรัพย์สินตัวนี้เพื่อนให้ไปสวรรค์นี่พานโดยตรงเพื่อนให้ ต้องดูแลตอบปุญคุณกันพ่อแม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เรามาเกิดในเมืองไทยที่เป็นเป็นของประเสริฐเป็นของประเสริฐก็คือแรง ถูกต้องไม่ได้แบ่งป้อมเพราะว่าคนเป็นคนดีอือเป็นผู้รักษาทั้งใจรักษาศีลธรรมพระพุทธเจ้ากราบไหว้บูชาครับบ้านเมืองชาวไทยเราเคารพกราบไหว้ชาติอื่นเมืองอื่นเขามาเห็นเขาก็ว่าถือที่สุดถืออือถือธรรมได้ที่ไหนก็กราบลงได้เงินได้ทองมาก็ อ, อือประเทศลงทานไปแจกไปจ่ายกันเขาก็ว่าโอ้เสียสละได้ถึงขนาดนี้ อ, อือเป็นไม่มีกฎใม้ กรณเนี้ยเขแน่นเขาเงินเอาทองมาจากที่ไหนได้มาอย่างไรหรัวเออเงินพเพื่อแต่งให้ในรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองที่สามถ้าผู้ใดภาวนาผู้ใดรักษาศีลดีก็เพมันก็ทยอยเขามาให้เลยพระเทวดานั่นแหละจัดมาให้เลยไม่ต้องไปคืดว่าข้าพาเจ้าอยากรวยอย่างนั่นอย่างนี้ถ้าไปคืดถ้าพระอยากมั น, นไม่ได้เราก็เป็นทุกข์เออถ้าบรอยากอะไรอะไรก็ไหลมาแล้วก็ไม่ต่ความสุขอันนี้ คามสุขมันมันเข้ามาตอนเราไม่อยากถ้าเราอยากเลยมันเข้ามาอยากเข้ามาอยากอยากอยากจงไปขอพี่ขอพอ่บางที อ, อทดสอบใจขอเขาก็ไม่ให้กินแต่เราอยากอืเห็นไหมเพื่อนว่านิทานคูรู้นางอ้วกปุนอยากก็ม่ให้กินอืทะเลาะกันจนตกม น, มกกกนต์รบหมวกไหมไปปุณเลยนั่นแหละเรียกว่าความอยากนียพวกเราทั้งหลายได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติ ให้ทานรักษาศียนถวายครูบาอาจารย์เพื่อนสันให้แล้วก็เราก็เศร้าอยากเลยเพราะฉะนั้นจงเศร้าอยากเพราะเราอยากเป็นนางเทวดาผู้ชายก็อยากเป็นเทพบุตรุมันอยากนิดนหน่อยก็อดเอาอดสันทอยพออยู่เป็นวันๆไปอยู่เป็นเมื่อเป็นวันไปโรคภัยก็น้อยลงอาหารบ้านนี่ คือเสื้อโลกมันมาน้ำอาหารมาไงเรากินไปเยอะๆไปเนี้เสื้อโลกมันไม่ออกบนี้มันจติดแนื่อในหนังเราออกไปของดีๆมันมันมันเป็นอาหารเก่าออกไปแต่เสื้อโลกมันไม่ออกนั่นแหละตัวทุกในธาตุในขันแต่ละธาตุละคนถ้าใครมีญาติมีที่มีน้องเยอะๆเออเดี๋ยวเราก็ไปเยี่ยมคนนั่นโรงพยาบาลนั่นโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลใหญ่บางทีก็ช่วยกัน เราก็พอช่วยได้เราก็ช่วยไปแต่เราไม่เป็นอะไรเพราะว่าเรามีพุโทโธธรรมโมสังโคมมีศีลมีธรรมของพุดดทธเจ้า มันมันจืดมันจางไปหมดโรคภัยไข้เจ็บกรรมเวรมันไม่เข้ามามันจืดมันจางไปหมดเข้าใจอย่างนี้นะการกันเจริญรุ่งเรืองยิ่มแย้มแจ่มใสจิตใจของใสเบิกบานในบุญในกุศลปีพุทธศักราชสอง3น้าร้อยหกสิบสามนี่ร้อยห้าสิบปีนี่มนันธรรมดาดิเอออีไปอีสองรอยวันนี่ปแทนดินนีเต็มไปหมดเลยนี้ หนึ่ไอ้อาดมาในบ้านอื่นเมืองอื่นเขาร่างไหลมาอยู่เพราะเราไอ้อัดเข้าไปจบหน้าลบหลังถ้ารักษาบุญรักษาใจนี่เป็นธรรมทั้งหมดไอ้อัดกันอยู่ก็มีแต่ความสุขเพราะว่าเราปฏิบัติธรรมเขาว่ามาเราก็ไม่มีหางซะเขาว่าบ้าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ไปข่าไปแกงใครอืมูนพ่อแม่มุนมัง เมื่อเรามีพ่อแม่เราให้มาก็มากบบาราบไหว้เ ม, มื่อเรามีพระเจ้ามาเสริมอีกด้วยนั่งคิดเอาอะไรคิดเบาๆไม่ได้คิดทุกข์คิดยากอะไรมันก็ไหลมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นว่าบุญของพระพเจ้าเป็นอย่างนั้นเมเรามีพระพเจ้าเป็นอย่างนั้นอืพาเราไปความสุขพาเรานี้จากความเกิดความเก่ความทิพย ค, ค, ความตายอย่างไรพิจารณาเห็นหอืดวงตาเห็นธรรมเออออกจากนี่ไปก็เห็นอะไรเออก็เห็นเขารถติดขาดก็ดโมโหโท่ ตกถนนห้นทางไปสลัพัดบางทีเราก็ไปช่วยเขามีเงินมีทองบางทีเราก็ช่วยไปเราก็สบายใจไปถือว่าเป็นพี่เป็นน้องมาแต่พบแต่ทราอแต่มันเป็นคนละส่วงลายานเรามาอยู่ในบุญเรารักษาบุญดีแล้วไม่เป็นอะไร เสียวไปก็ไม่มีเจ็บมีปวดมาถึงตนถึงตัวเรานึกเอาเงินก็ได้เงินนึกเอาทองก็ได้ทองทานไปแต่มันได้หมดเพื่นว่านัน่นแหละแนนกระเป๋าอึงตึงแต่ว่าถ้ามันไม่แนนก็จะไปโทษผู้พูดได้เลยก็ห <c> า <oughs> ไปเรื่อยเพื่อนทำเผู้คนไว้พร้อมให้กับให้เต็มอึงตึงอยู่ตลอดนัน่นแหละคืออาจารย์สีวัสดิ์แต่ว่าปูก้ก็เออถ้าจะให้แนนอึงตึงก็ต้องออืภาวนา เก่งๆแล้วผู้พูดนั่นไม่นอนไม่อะไรให้อทั้งหลายทุกคนที่มาร่วมกันมาเศร้านี่ถึงรางวัลที่หนึ่งจากร้อยล้านเนี่ก็ปันกันแ <c oughs> น, น่นึงตึงตลอดให้ปันกันอะไะอันนี้เป็นลูกพ่อแม่เดียวกันเป็นอย่างนั้น น, นี่แหละพี่น้องทั้งหลายที่ได้มาบําเพ็ญกุศลภาวานาเพราะว่าถ้าสูงก็ลมหายตายจากกันไปเยอะอันนี้ก็ออพระเพื่อนๆลูกหลานเป็นรุ่นน้อง เออก็เคยโจรหลวงตาบัวสุดท้ายอยู่วัดสุทธาวาสไปว่านั่นไปไปโจมท่านโจมสองข้างท่านก็ที่จริงถ้าบุญนั่นแหละบลุญลาไส้หรือท่องไฟไฟลามโกนไฟไฟทางในท่องนั่นธาต อันเป็นว่าอย่างไทยอย่างเป็นว่าท้างดาวประกาศพระพงษ์อย่างพอห้อนท้องตายอันว่านี่หนักมากที่สุดตายปู่ก็ลยมือไ ป, ไปยันท้องท่านไปแน่นท้องนันหน้าน่านหลังข ย, ขยับขยี้ขยําในท้องอธิษฐานขอพ่อแม่ได้ขยับตุ่นลมโพลลมไสไปอีกครอ้อว่าให้ตัดสายใจตัว น, นี้อันตรายที่สุด อ, อือเผว่าอถ่ายตัวนี้อันนี้ท่านก็เลยว่าเออจะเข้าห้องน้ําอันนี้ไปเข้าข้างที่หนึ่งข้างที่สองมันก็เลยถังถ่ายออกถ่ายกันถายกินมันก็ไม่เหมือนทั่วเราเลยเมาดอกประกาศอียังห้อนถ่ายตัวนออกมาแล้ยเบาเบาแล้ย ก, ก็มานอนนอนออกประเทศอนี้เทศเรื่องหลวงปู่ฟั้นหลวงปู่ฟั้นกับพ่อข้ามาผู้หนึ่ง เออเอาลิงเอาลิงคนเทศอยู่บ่อยเออเอาลิงไปด้วยไปไปย่อมผ้าย่อมย่อมผ้าโบราณพาฝ้ายโบราณหาสายไฟสายยางเอาลิงง่อยบ่าไปลงปูฟัายหน่อยแม่ตาเลี้ยงแมวแมวใหญ่แมวตัวผู้แมวใหญ่แมวคนวรรษศรีอเจ้าลิงหนี่มันดื้อเลยอเจ้าลิงมันไปมันมันไม่มีเพื่อนระเห็นแมวมานก็นจากหยอกแมว มันมันก็โยกมันก็เวียนไปเวียนมามันก็ไปไปอะไรไปไปตกแมวไปแมวแมวของมันแมวมันก็โมโหแบบมันก็ได้จังหวะเพื่อนแล้ม no ันก anyway> ็มาตบตาลิงตบตาลิงอะลิงก็ลิ่งขึ้นต้นไม้สอดไป คนเทศหลวงปู่เปรียบเทียบเพื่อมาสอนให้คือเราวอกแวกคือลิงคืออะไรเราเน่งอยู่คือคือพระคือแมวพระหรือมันจะอยู่ข้างมันแต่เพ่อเลียนหน้าเวียนหลังไปกระจอกมันกระตกมันมันก็ตั้งค่าได้มันก็ เอาเล็บม oh. ันไปสวกสวกตาไปสวกตาสวกตาลิงมันก็ตื่นมะแก้งๆมันก็วิ่งมัน่งขึ้นปลายศาสเจ้าของเจ้าของลิงก็น่าจืดยันั้นไม่ลงมาแต่ลิงแต่ลิงมันก็ยังไม่ยอมด้ยยังยัมาแก้ล้ำอยู่ท่านว่าเวียนหน้าเวียนหลังร้อยมาร้อยมาก็แมวมันก็นอนนิ่งอยู่มันก็ลอยๆไปไปเทิร์กหางลิไปเทิร์กางไปเทิร์กหางแมว มันมาแก้ล้ำกันขนาะขนาดนั่นเลยแปลว่าเออคือเราเห็นทุกวันนี่เบิ่งเอาบ้านเมืองเออนั่งอยู่ในถ้ำในภ่าสารลาดสว่างก็ดีออบางที่ลูกปืนใหญ่รู้ลงมาใส่หัวตายก็ได้นั่นแหละแ้วต่บุญกรรมเออหลวงปู่แวนเป็นพูดไม่กี่วันนี่ไปเยี่ยมท่านบางที อ, อหลายแบบที่ตายหงาตายหาตายหงายคนเราเน่ะตายไม่ถือต้องตายอย่างโน้นอย่างนี้ เป็นเทศไบใหญ่เลยี่เทพเทศเทศมื่อืมไปเยี่ยมเพื่อนนๆไม่นานเนี่ยท่านก็ออกมามาโปรตเราก็มาถานพูดพร้อยพ่อยทั้งปู่ก็อืมเป็นไปลงปฏิโมกไปอยู่กับท่านนะเยี่ยมท่านก็สบายพ่อแม่ถามลูกหลานว่าสบายใจไหมสบายใจอสุขไหมสุขเพราะว่าสุขตอบพ่อแม่ว่าสุข วันนี้คนนั่งลงในภาษาสุบออมีความงสูขมียาหากไม้ดีเอามาปั่นสันในรูปคุณว่าภาษาอีสานเอามาปันศันเนี่ยูก็คิดนั่งอยู่โ อ, อ้ยยาดีหากไม้ในโลกกันนี้เออควรละเส็ละล้านเขาก็ซื้อมาถวายคุณหมอเพราะว่าท่านเป็นพระที่ถูกต้อง เือเป็นพระที่ไม่ได้สนใจเอาอะไรทางสิลน์แต่ว่าสาราซือที่มันไหว ม, มันละท่านถามคือปจญหาปัญหาแล้วก็ว่าเออให้พ่อแม่ถึงจุด พรนิพานเป็นตามสเสด็จพระพุทธเจ้าให้ถึงพรนิพานท่านก็ยิบั้นยานั้นวดละแสนละลานถ้ามันถึงเวลาเอามากินมันก็ไม่อยู่รอกราขอมีมนุ์พ่อแม่อยู่ไปนำลูกนำหลานแต่ว่าจิตใจที่ตั้งใจบงเพ็ญภาวนาเสียสละให้ถึงจุดหมายที่จุดที่ ไม่มาเกิดตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปให้ถึง น, นั่นแหละท่านก็ยิ้มดีใจนี่แหละที่ยาดีนี่มันไม่มีเลยในโลกนี้ถ้าจะอยู่ร้อยสองรอยปีมันเป็นไปไม่ได้เลยยาอะไรก็ไม่ดีนี่แต่ธรรมะโอสถไม่มาเกิดอีกเท่านั้นแหละที่พวกเราทั้งหลายต้องการทุกคนทุกวันที่โมโนปูมาให้วอวยพรให้ก็มัวนว่าให้เงินเต็มกระเป๋าอื้งตึงปูว่าให้ทำเต็มหัวใจเอืง้งตึงแล้วพอไหลามาเ ทุกอย่างถ้ามันมหัวใจคือบางเป็นภาวนาสร้างบา ร, รมีไปเรื่อยๆคือถ้าทําเกิดแล้วสบายใจเลยนั่นแ mm hmm. หละคือเงินที่ลางไหลมานี่หละมาหาลูกหลานอยู่ในบริษัททีวีเรานี้เลย mm hmm. เพราะว่าใครก็ใส้กันงดทั่วประเทศทั่วโลกโมทิตาทิพไสเป็นเออเนั่นแหละค mm ือว่าเพรากันเข้าใจในบุญในกุศลตังจิตตั้งใจอ mm hmm. ผู้ชายเทพบตระดอผู้หญิงเทพดาม mm hmm. คือเราเที่ยวชมสวนช ม, มป่าชมเขาก็พอสมควรเลยล่ะหรือไปดูแล้วก็ห่างๆออกมามาชมตัวเรามาดูเราให้มันชัดเจน อยู่ทางสิดไปเกิดข้างหน้าอย่าไปให้จกหน้าโลกอย่าไปอความอยากความทะเยอทยานอทิ้งจั้ววางตั้งแต่เวลานี่เวลานี่ไปไม่ให้เกิดมโหโทโศเกิดควทุกข์ควา ม, วามลําบากความยากความจนบังคับให้เราไปทางต่ำนั่อย่าให้เกิดขึ้นจากลูกยากหลานที่ตั้งใจมาขอพรปีใหม่รูเมตตาวยพรให้ดวงตาเห็นธรรม คำสวนที่ถูกต้องพ่ะแม่หลวงปู่มั่นหลวงปู่สาเพระแม่หลวงตบวาบัวอธิบัติเมตตาไปทุกจุดทุกที่ได้โปรดแล้วเกิดัวสุดท้ายมามช่วยเอาชีวิตประเทศไทยขึ้นมาอุ้มชาติขึ้นมา ลูกหลานก็พากันโจกก็ละหราชสิทก็ล้าลาาลตามมีตามเกิดเอาทองคําเข้าข้างหลวงอก็ได้เต็มสิบสามตันเต็มมาสร้างพระมหาเจดีย์องค์ใหญนั่นแหละที่จริงท่านก็บอกอยากให้เอาไปโชว์อย่างไรดอกญาณญาณเขามากัานมาเอานั่นมันเต็มใจนั่นแหละมีปัญหาไปแย่งสิงกันคือของมีค่าคือพระใจเราเข้าแย่งสิ่งไปเขามาแย่งให้เราตกนรกก็ได้ล่อไปอย่างโน้นอย่างนี้ เสื้อเว้ดีพันธัยกับบทสู้กิเลสถ้าทำ ม, มีแล้วไม่เสื้อใครง่ายๆให้เสื้อใจเจ้าของเสื้อเจ้าของหูได้ยินก็ให้เสื้อตาเห็นก็มให้เสื้อมือคาถูกก็ไม่ให้เสื้อให้คักใจคักใจว่าโ อ, อูบาปมีจริงบุญมีจริงข้าพเจ้าจะไปตาม ตามบุเพตามลําตามลําพังไปรักษาศีลพระพุทธเจ้าไปพึ่งบา ร, รมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปเข้าไปอยู่บ้านอยู่เรือนก็นมีอย่งก็ให้เขาไปซะให้หนูให้เพื่อนให้ยังไปข้าพเจ้ารอจากนี้ไปถึงวันตายไม่ถึงห้าสิบปีหรือร้อยปีข้าพเจ้าต้องตายแ น, น่นอนข้าพเจ้าจะเอาบุญให้เต็มหัวใจมีให้สงบกันนั่งเดินตรงกลมกันนั่งนั่งแล้วก็เดินเดินแล้วก็นั่ง นอนยันมันเผลอยันมันส ต, ติมันมันจะเถลิ่ยถลายเวลานอนตื่นขึ้นมาเป็นทุกข์เด้อแก้ยากนะถ้าหาความสุขจนสุขขึ้นมาแล้วจางนอนนอนแล้ว เ, เวลามันก็ไม่นานนะลุกขึ้นมาก็สุขถ้าสุขแล้วก็รักษาสุขไว้เพให้ มีความทุกข์มาบาังคับสายหัวเราไปตามดินตามหยานั่นแหละท่านทั้งหลายเข้าใจในบูชาคําสอนของพระพุทธเจ้าหลงพ่อแม่หลวงปู่มั่นรัตการที่ร้อยห้าสิปีคือเอาคําสอนพ่อแม่มาเทศลูกหลานให้เข้าใจมีโลกมันจเจริญแต่ว่าจิตใจคนเศร้าหมองขุนมัวมากแต่ว่าทำมันจเจริญก็คือขี่เครื่องบินไปภาวนาขี่รถขี่เรือไปเดินทูดงกรรมฐานก็ไปด้วยยนต์ด้วยยานก็ถือว่าจเจริญที่ นี่แหละคือปู่มาหาพี่น้องทั้งหลายนี่ก็ออไปดอนเมืองก็หอเมืองเวิร์งยกมาก็หอมาหาพี่หาน้องมาเห็นกันแล้วก็ดีใจสดชื่นขึ้นนะ่ะจิตสัมผัสจิตแล้วเออถ้ากิเลสกับกิเลสสัมผัสกันนะระวังเออเดี๋ยวก็ทุกข์กิเลสกับกิเลสสัมผัสกันเออไป ไปเล่นป่าโนสวนไปเข้าห้องเข้าอะไรคือเขากินกันอเอาเหล้ามากเอาแก้วโซนกันโซนไปโซนมากาแก้วแตกบางทีก็ผมว่าแตกก่อนแก้วเขาเอากันอย่างนั้นนะเขาเขายังเบื่อไม่เป็นพวกเราเบื่อเป็นพวกเราถอยพวกเราว่างว่างจิตว่างใจไปหาบุญหากุศล เ, ออเวลานาที่เป็นบุญเป็นกุศลกับลูกกับหลานกับศรัทธาญาติโยมเออถ้ามันไม่ถูกจิตถูกใจกับ ขออภัยเพราะว่าพระกรรมฐานก็เป็นจิตใจเวิงว่างช่วง น, นี้มันพระตายหลายเราก็ย่านตายคือเขาก็เลยหลงหน้าหลงหลังตายกันอยู่ตลอดไปเผาศพ ก, กันพระนั่นเลยพระเพื่อนเพื่อนพระผู้เท่าก็ว่าเด็กคนเท่ามันยังอยที่สี่สิบห้าสิบสองปีสี่สิบสองปีนี่เอาไปหลายแล้วนี่เลยปู่นี่ก็ย่างถึงเจ็ดสิบแล้ว ก็ว่าได้เสีดาดอกความตายมันตายเวลาไรก็ถือว่าทุกดีทุกดีเราได้ภาวนาถึกต้องแล้วถึอต่องในดวงใจแล้วสบายใจทั้งเต่อายุสามสิบเอ็ดปีรีบหนีออกจากากางทุกข์เสื้อผู้คอปอผูกศอกแกะออกโดดไปเลยเ อ, อ, อะไรมันถูก เกิดดอกไม้ในสวนนั่นแหละก็โตนออกนี้เลยไม่สมจ <c> น <oughs> ไม่เที่ยวไม่เอาไม่อะไรเข้าก็ไม่เอาอาถารบริขารก็ไปเอาทางหน้าคุนทานให้ก็ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาเดินจงกลมไปพบพระอาจารย์เซลีฝรั่งคนก็เสริมให้ท่านเอาสิ่งเอาจาังนะเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะถ้าบนมีบางที่ คือก็ไปกราบท่านไม่นานท่านเสด็จขึ้นแข็งแรงขึ้นมิวนไปอยู่กับผมมันจะได้สบายสบายในการเป็นอยู่เพราะวัววดใหญ่เรามันก็คือว่านั่นแหละมันพระมันเยอะเลยท่านว่าสงบดีไหมสงบดีแต่ว่าเรื่องสงบนี่ไปอยู่ใส ม, มันก็เหมือนเดิมถ้าจิตเราสงบเราอยู่ใสก็อยู่ได้นะคือปู่จนตอบมูเพื่อนว่าอเพื่อนว่าไปอยู่นี่มันมันนองเสียงนั่นเสียงนี่ ทังแต่เขาขึ้นไปเอาพะโรดรวงกานเขาก็ยังลงมาสงบเขาก็ยังไม่อยู่เขาก็ยังลงมาตายอยู่ในพื้นดินนั่นนี่อยู่ออยู่บางท่านนี่มีเสียงบ้างบ่ไม่เสียงบ้างมันก็ไม่มันเราไม่ยึดเอามันก็เป็นของเราสงบจิตเราไม่ยึดของเขาแล้วมันก็สงบ เสียงก็เป็นเสียงของเขาไม่ใช่เสียงของเราเสียงของเราก็มีแต่พุทโธธรรมโมสังโฆมีแต่ความชงเอิญรุ่งเรืองมีแต่บุญและกุศลเพราะให้บวรามีบุญที่ได้แม่ตาบำเพ็ญมาตามเพราะแม่หลวงปู่มั่น ลูกหลานคารกกราบไหว้บูชาปีนี้เป็นปีมหามงคลสาติไทยเราบ้านเมืองเราก็คือเราเห็นนั่นหลยปีใหม่ก็สงบร่มเย็นในบ้านในเมืองเราก็พากันทางใจมโมนุษย์คุณอาจารย์มาทำบุญ ไม่ให้เกิดอะไรขึ้นมากไมา้กายกองนั่นแหละหรือข้าวฟันลานแทงกันขึ้นอะไรสิ่งที่เราไม่ต้องการก็อย่ามาใกล้อืถ้าเขายิงมาก็ให้ตกไปพวกแม่นามาทำทะเลไกลๆอย่ามาใกล้เพราะว่าเราซื้อรพระธรรมรพระพุธรรมอันนี้เลิศที่สุดมีแต่มันจืดมันจาง ม, มีแต่มันสงบลงเย็นมันว่างออกจากท่าจากขันของพวกเราขอให้อืที่วิธีการว่าอืขอให้ข้าพระเจ้าทางไกลจากก เกิดความเก่ความเจ็บความตายเป็นอุปนินสัยเข้าสู่มรรคผลนิพพานในปัจจุบันการนี่เธอมีวางก็มีด้วยปรกกาลักษณ์นี้แล้วอะไแล้วอัลลสมควรโอ้ถ้าเทศไปอีกประทันเครื่องบินเมื่อได้ได้ยงเมื่อได้บั <c oughs> <c oughs> นดีใจดีใจการชููในการร่วมทำบุญนะคับที่วัดหลวงปู่ที่ เออส า, สายสายฟ้าคือไปอยู่ไปอยู่นําไทยโซ่ส่วนนั่นเป็นส่วนนั่นเป็นเป็นชอปปก็เป็นปา่าซ่าที่จริงเขาก็ไม่ให้โดดกม่ค่อยให้แต่ว่านายอำเภอมาเลือกสายแหละคนที่ให้เป็นวัดจะได้แล้วไปฝากเอาเขามาได้แล้ววันนี้ยังผู้เลบาวนนี้เป็นคนเขียตัวนี้เขียนอำเภอพารนาแต่ผู้รอบานี่ยเป็นเขียของทางคนมันเป็นของอุทยาน แต่ว่าเขาก็จะช่วยเจาะบอแล้วก็เอาไฟฟ้าโซลารเซลล์นี่เขามาเป็นอันนี้เพิ่มมันก็นกำลังเพราะว่าเขาก็ทำดีแข็งแรงขึ้นมาถ้าเป็นของพี่ของน้องญอาติโยมนี่ละขอให้รุ่งเรืองเจริญออไฟทางนอก เ, ออเป็นอย่างไรก็สร้างหัวมันโถอไฟของหลวงปู่มันอยู่ที่หัวถอ้อาทิพพระจันทร์เลยกระเดือนแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่พาไปนี่พาแน่นอนตัวนี้ ไฟทางบ้านทางเมืองช่วยให้สะดวกสบายกับเป็นของลูกของหลานเป็นธรรมะอันประเสริฐเออดีใจดีใจก็<ม>ทำ ไ, ไปเรื่อยจะร่วมบุญในครั้งนี้นะครับ้งใจว่าจะไปทำเสนาชนะปูซาพ่อแม่หลวงปูเ่เซลีถ้าเพื่นว่า ไปเราก็ต้องเตรียมเตรียมที่พักให้เพื่นให้มันถูกต้องแล้วจ้ะถ้าเพื่อนอยู่ได้ก็อยู่ไปตามธรมรมชาติหรือว่าวัดใหญ่นะเพื่นว่ามันสัตว์เยอะเพื่อนเสียวหนี้เขาก็ว่ามูลหลวงตะบวัวตัวกลัวอยู่เวลาฝนตกมามันซื้ดนี่ยมันหมึน ขี้ไก่ขี้สัตว์มันหลายเขาไปในนั้นมันเหม็ น, ม, น, ม, นมันอะไรท่านก็ว่าโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแต่ว่าวัดท่านสงบไหมสงบแล้วเพราะว่าสัตว์มันก็มีธรรมดานิดหน่อยสงบ ừ, ท่านก็อายุแปดสิบสามแล้วแต่ว่าแข็งแรงขึ้นถ้าท่านพูดว่าก็ฝึกเจรณากันว่าจะมงสาลาที่ไปอยู่บ้าน้เขาก็ให้เป็นวัด มุงสาลาแบบว่ามุงยา่าได้แปดปีแล้วเหมือน่ปดปีนปปี้ปีที่ผ่านมาสองพันห้าร้อยหกสิบสองเขากับเงินพี่น้องให้แหลกไปร่วมกันเขาเอาไฟเขา้าไฟเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายแล้วถูกต้องวันนยังผู้รอบเข้าก็ไปโซลาเซลไปก่อนห่างกันหลักกิโลหนึ่งแปลว่าไปอยู่ปีเดียวได้สองอำเภอคือเขาว่าเขาถวายต่อกันไป ออในอำเภอบังโคนผูล่องเข้าที่แสงธรรมพันติโกในี่ขึ้นอำเภอพารนาใกล้กับบ้านน้องผือแต่ว่ามันติดกันติดกันก็ใส่ผู้้ด้มกักเงียบ ก, กว่าผูล่องเข้าใกล้รลวงปู่มั่นนีแหละ แลตอนนี้หลวงปู่ก็จะดูแลอยู่สองวัดนะครับวัดป่าแสงธรรมนก่เขาก็จะถวาย อ, อยู่บูรังกาอีกเขาว่า <c oughs> ปูา่ไปบ่เหตุนี่คนนั่นเคยบวชบวชก็เป็นพระสงสารเขาบวชถึงแม่บวชถึงน้องสาวบวช้ะมีปัญหานิดหนึ่งเพราะว่าทางพระนิพพานเนี่ยมันต้องมันมันจะข้ามไปยากทำเกิดและเอาไม่เป็น น, นี่ถึงเวลาแล้วนี้ จะไปได้แม่แม่บ้านเมืองเราได้ลูกสาวไปเรียนอยู่ค้นเก่นแบบนี้ว่าแม่บ้านเพูดเลยว่าบุกขายแต่ท่านให้ลวงปูส่วนหกไร่เป็นปลูกปาล์มเราอยู่แต่ว่าเจดไร่เป็นปลูกยางไว้ทางหน้าการหน่อยมันติดกับภูรังกา<ม>อือเพูดเลยว่ายัางให้ลูกนสาวนั่นเรียนจบแล้วก็ถวายพ่อไปบวชอีกอืสามีเป็นอาจารย์ปูก็ถือถือคนนี้เป็นครูบาอาจารย์อยู่เพราะว่า เขาแนะนําให้ภาวนาตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นสมัยนะั้นก็ถูกมามัดทุกอย่างอแต่ว่าเราได้บุญแล้ววะเนี่ยเขาถ้มีปัญหาขึ้นถ้าเอาไม่เป็นปัญหาคืออย่างโน้นอย่างนี้นั่นแหละแค่ปัญหาไม่เป็นก็เลยได้ฉีกไปก่อนแต่ว่าสีกไปก็สีกไปเถอไปดูโลกภายนอกเลยแต่ว่าจิตใจเรายังไม่เสื่อมก็มาต่อไปอีกเพราะว่ายัางเวลาเราก็ยังเยอะอยังห้าสิบปีมั้งประมาณนี้เลย อือคืออาจารย์นี่สื่อทันแล้วบางทีก็จะได้ให้ท่านมาที่นี่ด้วยต่อไปให้มาเทศที่นี่แ<ม>ต่โยมก็ตอนไหมันลึกซึ้งในพระธรรมของเขาในพระธรรมของท่านเอออโยมก็ภาวนาไปได้สวรรค์ น, นิพพานในไปได้คือขอให้ยิ่งยิ่งง่ายกว่าอีกด้วยถ้าวางเป็นของเราอยู่กับกรรมเราไม่เราไม่ยึดเอากรรมของเขา เราก็เสรยของเราเราก็อยู่กับหน้าที่ของเราพุโทโธธรรมโมสังโฆเขากินอะไรเราไม่กินอะไรมากมายให้มันเกิดกิเลสแล้วางเวลาทําเกิดบางอย่างเขาก็มาว่าให้ด่าอย่างนู่นอย่างนี่เราก็ไม่ได้ยินแหละมันก็เป็นคนละสวนเราไม่เอาเอาแต่นแนวดีๆถ้าเขาไหวแล้วโอ้ยเจ้าคือเป็นคนดีเขาก็อวยพรให้เจ้าอืมเจ้าดีเจ้าสวยเจ้างามเจ้าเข้าวัดถือต้อง ค่อยด่าเจ้าให้ค่อยคลายอารมณ์ค่อยเจ้าก็ไม่โกรธค่อยนั่นแหละนี่แหละทางเดินของศาสนาไปหน้ารุหน้าเข้าใจอ้าวไปขอ